ที่สลัจีวันที่เป็นนิสกีสลัดแกส่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงผมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แกพ่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวันพื้นนี้เขาไม่ได้ปรวรรณาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาช่างหูงของเครืหันผู้ไม่ใช่ญาติกําหนดชนิดจีวันเป็นนิสกีกระผมสลัดจีวันพื้นนี้แก่สมครั้นสลัแล้วพึงแสดงอาบัต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 หลัเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ปรณนาไว้ก่อนกระผมก็ไปหาช่างหูกของเครืหัดผู้ไม่ใช่ญาติกําหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า ท่านตั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านตั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน กระผมก็ไปหาช่างหัวของพระหรัตถ์ก็ไม่ใช่ยากกำหนดชนิดจีวรเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพรับราบัติแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้เดืกล่าวาว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชีในการนิสกีอปาจิตรี่สิบสี ครหัไม่ใชญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใชญาติเขาไม่ได้ปราราไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูของเครืหัตถ์กำหนดชนิดจีวรต้องอบัตินิสักคียาปาคิตีเครืหัตที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจเขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูของเครืหัตถ์กำหนดชนิดจีวรต้องอบัตินิสัก ที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปกําหนดชนิดจีวรต้องอาบัดทุกกฎพระที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติเข้าไปกําหนดชนิดจีวรไม่ต้องอาบัด